เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงคุยธรรมะในวันนี้ปฏิบัติการปฏิบัติ Practitioner ใช่ Practitioner เนี่ย เอ่อคุณเป็นหมอคุณแพราคทิสๆไม่ไปใช้ในการที่ทําการวิจัยไปใช้ในการค้นหาข้อมูลนะให้คําแนะนํากับคนไข้เป็นต้นนั่นนี่คือแพราคทิเนอร์จริงๆนะแต่ว่าพอมา กรรมเนี่ยมันโดยทั่วไปอยู่สักหน่อยนึงเอ่อคือถ้าเราพูดถึง รักษาศีล 5 ได้บ้างแล้วรักษาศีล 5 ได้อยู่ Practitioner นั่น นะมรรคนี่คือทางนะมรรคนี่แปลว่าทางนะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นๆจริงๆนะคือทุกลมหายออกของเรา 1 คุณหายใจออกลม 1 เนี่ยคุณ 1 ออกลม มีวันเกิดครั้งหนึ่งเอ่อปีนี้มันเกิดวันนี้เอ่อฉลองวันเกิดคุณรู้หรือเปล่าคุณใกล้วันตายเข้าไปอีกปีนึงแล้วนะเออเพราะฉะนั้นพอเรา อ่าหนทางอะไรพิเศษยังไงที่เราจะไปพ้นความ 8 นั่นเองสิ่งที่มัน เป็นเรื่องที่เราต้องรวมเข้าดีทั้งสิ้นจะคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาทําซ้ําทําๆทําจนมีความ แล้วแค่ว่าเราหายใจก็ได้อ่ะให้เรามีคือหมายถึงว่าเรารักษาจิตของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่า นั่นเป็นความปกติทางกายทางวาจาที่ถูกต้องเหนืออะไรคุมกายคุม แต่แต่สติคุมจิตแล้วสิ่งที่จะคุมจิตเนี่ยก็คือสตินั่นในอินทรีย์ต่างๆก็ได้รับการรักษาอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายรวมถึงใจด้วยและตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการกระทําทางกายการกระทํา ถ้าคุณมีแค่เนี้ยคุณสบายละคุณมีแค่นี้คือกันแต่ไม่ เอ่อรูปแบบนี้ก็ให้เป็นเราไม่ยึดติดนะรูปแบบอ่ะนะเอ่อขึ้นหมายความว่าจะ ไหลให้จิตของเราดึงลอดไปในเรื่องอื่นเอาดึงกลับมาดึงกลับมาแต่เราก็มา ทั้งที่ยังตั้งมั่นอยู่กับสิ่งต่างๆเอ่อจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็น เมื่อจิตเรารวมลงเป็นสมาธิแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวใสสว่างขึ้นมานั่น นะใครด่าใครว่าก็ยั่วยุก็ตามเข้าไปแต่เพราะว่ามีเห็นตรงนี้มันจึงมีการกลับกำเริบขึ้นมาในการกลับกำเริบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็หรือถ้าเรามีกาวติด แต่เช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยถึงเลยน่ะจิต ไอ้เจ้านี้จึงต้องนําเหตุตรงนี้ออกให้ได้ในเหตุก็คือจะเอาอวิชชาตัณหาออกแล้วทีนี้ไอ้เจ้า เป็นรากเหง้าของตนหาอีกต่อนึงแล้วมันจึงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเราก็ 6 ไปไหนไม่ได้ เป็นไงก็ไม่ตามไม่มองไม่เห็นเราจะกําจัด 8 แต่ถ้า 8 เนี่ยมันจะ แต่เมื่อที่ไหนทําแล้วเนี่ยจิตเราเราสูงขึ้นส่งขึ้นดีขึ้นได้สบายขึ้นอันนั้นถูกต้องแล้วเราๆเจริญ ถ้าเราจะแบ่งก็เป็น 5 กล่องอยู่ที่เราได้เคยเคยรู้ๆกันมาในกนิบอนทั้ง 5 และอุปสรรคนี่แหละทางฝั่งมันจะมาขวางขวาง อะไรทําให้ของเราที่ผ่านประสบการณ์ที่ยากลําบากถึง ใจของเรามันจะไม่พร่องใจของเราจะเป็นใจที่เต็มใจของเราจะเป็นใจ แล้วก็ได้เห็นกันอยู่ฝึกปฏิบัติพูดธรรมะบ้าง